ทรงอนุญาตให้ถือนิสัยครั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถถือนิสัยอยู่ห้ารรษาให้ภิกษุผู้ไม่ฉลาดถือนิสัยอยู่จนตลอดชีวิต